จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญเพราะมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราว่าบุญคือที่พึ่งของเราบุญเป็นที่ให้ความสุขกับเราบุญเป็นผู้ให้ความเจริญกับเราชีวิตของพวกเราที่เกิดมามีความแตกต่างกัน รวยบ้างจนบ้างฉลาดบ้างโง่บ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างเกิดมาจากบุญที่เราทํากันมาในอดีตชาติทําให้เรามาเกิดไม่เหมือนกันเพราะเราทําบุญไม่เท่ากันนั่นเองบางคนทําบุญมากก็ได้ความเจริญมากได้ความสุขมากได้เงินทองมากได้ตําแหน่งใหญ่โตแม้ใด้รูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ได้อายุยืนยาวนานได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากบุญที่เราทำกันมาในอนดีตเราจึงมีความแตกต่างกันถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันแต่ก็ยังทำให้เราแตกต่างกันเพราะที่มาของเราเราไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่มาทางละ ร่างกายของเรานี้มาจากพ่อแม่แต่ใจของเราผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากชาติก่อนชาติก่อนที่เราได้ทำบุญมามากน้อยต่างกันจึงพอมาเกิดในท้องแม่คนเดียวกันก็มีความแตกต่างกันพี่น้องบางคนบางคนรวยบางคนไม่รวยบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาด บางคนสวยงามบางคนไม่สวยงามบางคนพิการอาการไม่ครบ32บางคนมีโครคภัยเบียดเบียนนี่คือความแตกต่างของพวกเราเพราะว่าในอดีตเราสร้างบุญมาไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ในอนาคตนี้เราสามารถทำมาให้ชีวิตของเราดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาทําบุญกันแล้วพอเราทําแล้วบุญก็จะเริ่มออกผลให้กับเราเบื้องต้นก็ออกผลในจิตใจของเราทําบุญแล้วใจเราจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายแล้วพอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเก่า เวลาตายไปเราก็ไปเกิดในสุคติไปในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือถ้าทำบุญได้มากอาจจะไปถึงชั้นพระนิพพานเลยก็ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอาหารหันตาสาวกเนี่ยความเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการทำบุญของพวกเราที่ไม่เท่าเทียมกันบางคนทำน้อยเราไปทำบาปมากกว่า แทนที่จะไปสวรรค์ก็ไปเป็นเดลชาญไปตกนรกไปเป็นเปรตนี่คือสิ่งที่พพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้กันว่าพวกเราไม่มีตาในหรือมีแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดตาในปิดเหมือนคนตาบอดคนตาบอดเลยไม่เห็นโลกภายใน โลกภายในคืออะไรก็โลกทิพย์นี่เองโลกของจิตวิญญาณโลกของดวงวิญญาณต่างๆที่หลังจากได้ทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์กันในโลกทิพย์ก็มีชั้นต่างๆชั้นดีก็เรียกว่าสุขคติชั้นไม่ดีก็เรียกว่าทุกขติหรืออบายพวกเราไม่เห็นกันไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เราจะไปไหนต่อเราจะตายไปกับร่างกายหรือเราจะกลับมาเกิดใหม่อันนี้เราไม่รู้กันเราต้องอาศัยคนที่รู้คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหานตสาวกที่ท่านสามารถเปิดตาในของท่านออกมาได้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันไม่เห็นตัวเราไม่เห็นดวงวิญญาณของเราไม่รู้ว่าเรามีดวงวิญญาณ ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณของเราจะไปล่องลอยต่อไปไปตามอํานาจของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้และหลังจากนั้นก็อยากกลับมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาทําอย่างที่เราทํากันใหม่ถ้าชาตินี้ทําบุญมากชาติหน้ากลับมาก็จะดีกว่าเกา่า ถ้าทำบุญน้อยก็อาจจะเร็วกว่าเก่าถ้าทำเท่าเทากับชาติก่อนก็กลับมาเท่ากับเท่ากับชาตินี้อยู่ที่บุญงั้นขอให้พวกเราเชื่อบุญเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะเป็นของที่เกิดจากความเห็นของพระองค์ด้วยตาในเป็นความจริงพวกเราฟังอาจจะคิดว่าเป็นนิยาย เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานเรื่องการไปเป็นเทวดาเรื่องของการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดฟังแล้วก็เหมือนัำนิยายเพราะเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราเองแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติทำบุญไปเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะมีตาเหมือนพระพุทธเจ้า ตาของเราที่มีอยู่ที่มืดอยู่ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นโลกทิพย์ที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนตอนนี้เราเห็นแต่โลกกระธาตุคือโลกของร่างกายโลกของดินน้ำลมไฟแต่เรามองไม่เห็นโลกทิพย์โลกของเทวดาโลกของอินของพรหมโลกของพระอริยเจ้าโลกของเปรตโลกของผี โลกของนรกแต่ถ้าเราทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ต่อไปเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแน่นอนแล้วเราจะไม่สงสัยในเรื่องบุญเราจะทำแต่บุญอย่างเดียวไปจนวันตายแล้วถ้าเราทำบุญได้เต็มที่เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ตอนนี้เรายังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันอยู่มาตายกันอยู่ถึงแม้จะทำบุญมามากในชาติก่อนมาเกิดแล้วร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดถ้าจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องมาบวชพระเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำบุญให้เต็มที่ถ้าบวชพระแล้วจะมีเวลาทำบุญได้เต็มที่ เมื่อทำบุญได้เต็มที่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอนี่คือเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาทำกันบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งที่เราทำกันอยู่เป็นประจำก็คือทานทานก็คือการให้วันนี้ญาติโยมก็มาทำทานแต่เราเรียกว่าทำบุญ คำว่าทำทานนี่เป็นกิริยาเป็นเหตุบุญนี่เป็นผลบุญแปลว่าความสุขใจให้ทานแล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจการให้บุญที่เกิดจากการให้เราเรียกว่าทานทานนี้เราสามารถให้หลายอย่างด้วยกันไม่จําเป็นจะต้องให้ข้าวของเงินทองอย่างเดียวถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทอง เรามีความรู้เราให้ความรู้ก็ได้เช่นเราไปสอนเด็กพิเศษสอนสอนวิชากวดวิชาโดยที่ไม่คิดเงินค่าร่มเรียนจากเด็กนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ให้อภัยเรียกว่าอภัยทานไม่ไปเอาโทษไม่ไปอาฆาตพยาบาดแล้วถ้าเรามีธรรมะ เราเอาธรรมะให้คนอื่นก็เรียกว่าธรรมทานธรรมะอย่างที่เราได้ยินกันในวันนี้เรียกว่าธรรมะไปบอกคนอื่นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วดวงวิญญาณของเราจะท่องไปในโลกทิศต่อไปโลกทิศมีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งเทวดามีทั้งเปรตมีทั้งอินมีทั้งพรหมมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระอรหันต พวท่านเหล่านี้อยู่ในโลกทิพย์กันถ้าเราสอนคนอื่นแล้วเขาเชื่อเขาทําบุญเขาก็จะได้รับประโยชน์ชีวิตของเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นจเจริญมากขึ้นไปตามลําดับและอาจจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกต่อไปก็ไดเ้เกิดจากการละให้ธรรมะของเราแก่ผู้อื่นการให้ทั้งสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆถ้าเปรียบเทียบธรรมะนี่ก็เป็นเหมนเหมือนเพชรเนี่ยส่วนอย่างอื่นก็เป็นเหมือ น, เ, อนเงินเหมือนทองเงินทองนี้ราคาไม่เท่าเพชรนินจินดาเพชรนินจินดานี้เป็นของที่แพงเม็ดเล็กๆนี่มีราคาเป็นแสนเงินทองนี่ทองนี่ต้องเป็นกิโลถึงจะได้ เป็นแสนเป็นล้านธรรมะนี่แหละเป็นเพชรเป็นรัตนะธรรมรัตนะเป็นของที่มีค่าที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ที่มีธรรมะนี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้เงินได้ทองก็ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ได้วิชาความรู้ก็ยังต้องติดอยู่ในความเวียนว่ายตายเกิดให้อภัยก็ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่การให้ทำนี้จะทําให้ผู้รับทำได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอนี่คือเรื่องของทานทานคือการกระทําคือการให้เมื่อทําแล้วก็เกิดบุญ คือความสุขใจความเจริญของจิตใจเรา เ, เรียกว่าเป็นการทําบุญไปแต่ความจริงแล้วเป็นการทําทานไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นการทําทานให้พระก็เป็นการทําทานเราเวลาถวายสังฆทานเำไมเราเรียกสังฆทานไนดะ้สังฆทานก็เป็นการทําทานทําทานให้กับพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆทานคือการให้ให้ญาติโยมให้พี่น้องให้เพื่อน ให้คนยากจนให้ขอทานก็เป็นทานเหมือนกันให้แล้วก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะใครเป็นผู้รับผู้ให้จะได้บุญเสมอแม้แต่ให้เดลฉานไปปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่เราเพียงแต่ไม่เรียกว่าบุญเราเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลาหรือทำทานให้เงินขอทานก็เรียกว่าทำทานแต่ความจริงเป็นการทาบุญทั้งนั้น ทำให้ใจเรามีความสุขมีความเจริญทำให้เรากลับมาเกิดดีกว่าเก่าร่ำรวยกว่าเก่าเจริญกว่าเก่านี่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญอีกอย่างนึงก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทำบาปถ้าเรารักษาศีลห้าได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมา เราก็จะได้ความสุขคนที่มีศีลคนที่ไม่ทําบาปนี้ใจจะมีความสุขคนที่มีทําบาปนี้ใจจะไม่สุขใจจะทุกข์ไม่เชื่อลองไปโกโหกใครดูไม่เชื่อลองไปลักทรัพย์ของผู้อื่นดูไม่เชื่อลองไปประพฤติผิดประเวณีดูแลดูสิว่าจะสบายใจไหมเวลาเห็นหน้าคู่ของของเราเราจะรู้สึกวิตกกังวลทันทีเพราะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเรา ไปไปมีอะไรกับคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลกับแฟนเรากับคู่ครองของเราอยู่เจอเขาเมื่อไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนไม่วิตกแต่ถ้าเราไปทำอะไรลับหลังเขานี่เวลาเราเจอเขานี่เราจะรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าเขาจะรู้หรือเปล่า กรัวว่าเขาจะไปรู้ว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่ชอบหรือเปล่านี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปจะทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเราวิตกกังวลทำให้ใจเราวุ่นวายแต่ถ้าเราไม่ทำเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายเป็นบุญความเย็นสบายความสุขสบายของใจก็เป็นบุญแล้วตายไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย แต่เรารักษาศีลห้าได้ลกศีลนี้จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเปรยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกกันนี่คือบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปคือการรักษาศีลห้าบุญอีกอันที่พวกเราควรทํากันก็คือการภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนา พัฒนาอะไรพัฒนาจิตใจเรียกว่าจิตตภาวนาจิตใจของเราก็คือผู้ที่จะไปเป็นดวงวิญญาณต่อไปผู้ที่จะไปสูงไปต่ําอยู่ที่ว่าเราได้พัฒนาจิตใจเราเหรือไม่ถ้าเราได้ภาวนาได้พัฒนาจิตใจใจของเราก็จะไปสูงสูงกว่าบุญที่เกิดจากการทําทานรักษาศีล ทำบุญทำทานรักษาศีลจะส่งเราไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพนแต่ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าเราต้องมาภาวนากันเราต้องมาทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาแล้วก็สอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีสมถะภาวนาใจเราจะสงบ ใจเราจะเคลื่อนขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าละใจเราฉลาดมีปัญญามีความรู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วเราตัดความอยากต่างๆได้ใจของเราก็จะเคลื่อนสู่ขั้นสูงกว่าชั้นพรหมคือขึ้นสู่ชั้นพระอริยเจา้าขึ้นไปสู่ชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์จะขึ้นไปสู่สวรรษชั้นพรหมสวรร์ของพระอริยเจ้าได้เราต้องภาวนาทําบุญทํำทานรักษาสีนี้ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมอยากไปสวรร์ชั้นพระอริยเจ้าเราต้องมาภาวนากันสมถภาวนาแปลว่าการทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบวิธีที่จะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติมาหยุดความคิดต่างๆใจของเราถ้าไม่ถ้าไม่หยุดความคิดมันก็จะไม่สงบเหมือนลิงถ้าเราไม่จับมันมาผูกไว้กับเสามันก็จะเล่นของมันไปเรื่อยๆมันจะไม่อยู่เฉยๆใจของเราก็เป็นเหมือนลิงมันจะคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แล้วก็เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธจากความคิดแล้วก็ไปทําตามความโลภทําตามความอยาทําตามความโกรธแล้วก็คิดใหม่แล้วก็โลภใหม่โกรธใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่เคยหยุดคิดมันก็เลยไม่เคยเจอสิ่งที่ดีคือสวรรค์ชั้นพงความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเรามา ได้ยินได้ฟังทำจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากภาษาโลกคดีท่านก็จะสอนให้พวกเรามาเจริญสติกันวิธีเจริญสติก็คือให้เราอยู่คิดอยู่กับคำใดคำหนึ่ง mm. เช่นคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรายอยู่กับพุทธโธไปได้เรื่อยๆรื่อยหรือยอยู่กับสัมมาหัง นึก อ, อยู่กับธรรมโมนึกออยู่กับสังโคนึกออยู่กับอิติปิโสคําสวดเหล่านี้จะทําให้ใจเราหยุดคิดได้แล้วเวลาเรานั่งหลับตาเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าจะดึงใจให้อยู่กับลมอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเหลียวใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะเป็นจะมีความสุข ความสุขและความสงบ ข, ของใจนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์ชั้นพรมเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เราก็จะไปเป็นพรมกันแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านี้อยากจะไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เราก็ต้องเจริญจิตตภาวนาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องอะไรในเรื่องของโลกนี้นั่นเองเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันนี้ความจริงมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็มีวันเสียได้มีวันหมดได้มันเจริญได้มันเสื่อมได้ เจริญลาบก็เสื่อมลาบได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้เจริญสรรเสริญก็เสื่อมสรรเสริญได้จากสรรเสริญก็กลายเป็นนินทาได้จากสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้ชีวิตของพวกเรากำลังเกาะอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขกันมีใครไม่อยากได้เงินบ้างทุกคนคิดว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขกัน มีใครไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตบ้างเพราะคิดว่าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะสุขกันมีใครไม่ชอบการยกย่องสรรเสริญบ้างใครยอนี่แหมยิ้มแป้นทั้งวันเลยแล้วใครไม่ชอบความสุขที่ได้จากการเสบ ร, รูปเสียงก่นลดบ้างทุกคนชอบสิ่งเหล่านี้ติดกับสิ่งเหล่านี้แต่มองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีวันเสือ่อมมีวันหมดไป เวลาหมดเนื้อหมดตัวนี่สุขหรือทุกข์กันเวลาล้มละลายมีเคยได้ยินข่าวล้มละลายไหมทำธุรกิจแล้วล้มละลายเป็นยังไงสุขหรือทุกข์กันทำก็คิดว่าจะรวยกันแต่ทำไปแล้วกลับเจ๊งเนี่เพราะว่ามันไม่แน่นอนอมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เป็นใหญ่เป็นโต ว, วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นคนธรรมดาก็ได้ เห็นไหมสะสะรัฐมนตรีทั้งหลายที่เคยเป็นกันตอนนี้เป็นอะไรก็เป็นประชาชนธรรมดาไปแล้วเพราะมันไม่เที่ยงของพวกนี้มีเจริญมีเสือ่อมมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดบางเวลาก็เป็นบางเวลาก็ไม่เป็นเวลาเป็นก็สุขเวลาไม่เป็นก็ทุกข์กันนี่คือวิปัสสนาเราต้องมาเห็นสิ่งเหล่านี้คือราบยศสารเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกร่นงกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องสิ้นมันจะต้องหมดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวถ้าเรามีวิปัสสนารูแจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะไม่อยากได้พอเราตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้ ใจของเราก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าทันทีไปเป็นโสดาบันไปเป็นสกิดาคามีไปเป็นอนาคามีและในที่สุดไปเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความอยากต่างๆถูกกาจัดไปหมดก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสวรรค์ชั้นสูงสุด คือชั้นนิพพานชั้นที่พระพุทธเจ้าและชั้นและพระอรหันตสาวกทั้งหลายประทับกันอยู่กันพวกเราก็สามารถขึ้นไปสวรรค์ชั้นนั้นได้ขอให้เราขึ้นลิฟต์ไปทนั้นเองวิธีขึ้นลิฟต์ก็ให้มาทําบุญกันให้มาเจริญภาวนากันเจริญสมถะภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนามารักษาศีลกันมาทําทานกัน แล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนและถ้ายัางไม่ไปไม่ถึงเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะเกิดมาดีกว่าเดิมรวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมฉล า, าดกว่าเดิมด้วยอ mm hmm. อํำนาจของบุญที่เรามาทำกันในในภพนี้ในชาตินี้และภพต่อต่อไปนั่นเอง จึงขอให้พวกเราจงมีความศรัทธาอย่ามีความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเหมือนทําบุญกันอยู่เสมอแล้วพอเราได้ทําแล้วรับรองได้ว่าผลคือความสุขความเจริญของชีวิตจิตใจก็จะตามมาอย่างแน่นอนเจริญตั้งแต่ยังอยู่ในชาตินี้พพนี้ใจจะมีความสุขมากขึ้นใจจะสูงขึ้น ใจจะเป็นคนดีมากขึ้นจะเป็นที่รักคารพของผู้อื่นมากขึ้นแล้วตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้ายัางไปไม่ถึงชั้นนิพพานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มาทำบุญต่อไปจนกว่าจะถึงสวรรค์ชั้นนิพพานก็ขอฝากเรื่องของการทำบุญนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัต เพื่อความสุขความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากันเธอ